อยู่กับอารมณ์ที่ไม่มารบกวนเพื่อเป็นปัจจัยการจะฝึกฝนพัฒนาอันนั้นก็ว่ากันั้นก็ถูกแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะไปอยู่คนเดียวแล้วไ่นั่งทุกข์นั่งเครียดนั่งกุ้มนี่ไม่ใช่แล้วตัวตอนนั้นวิปัสนาไม่เนะกิดน ก, ก็ไปพิจารณายอมยอมฟังออกไว้แบบนี้ตัววิปัสนาเนี่ยต้องต้องไม่ทุกข์ใจเพราะวิปัสนาเนี่เป็นชื่อของหมหากุสรยาณ น, นะสัมปยุต แต่ถ้ามหาวิปัสนาที่แคล่วคล่องแล้วถึงแม้เป็นหมากุศลญานวิประยุทธ์ก็ไม่เป็นไรก็เห็นความแตกดับของรูปน้ำก็เชื่อเป็นวิปัสนาอยู่เพราะว่าชํานาญแล้วฉันมหากุศลยานวิปยุทธ์เนี่ยถ้าไปพิจารณาโดยชำนาญเอาเป็นวิปัสนาได้นท่านาห้ยางนั้นอันนี้ก็ก็ทำการเข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นทุกเวทนาเนี่ย ทุกเวทนาเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสนาได้สุขเวทนาก็เป็นอารมณ์ของวิปัสนาอุเบกขาเวทนาก็เป็นอารมณ์ของวิปัสนาทีนี้ไอตัวเวทนาเนี่ยที่เอามารอบรู้เนี่ยเป็นเวทนาที่ดับแล้วเพราอเวทนาที่ดับแล้วมัเป็นอารมณ์เนี่ยนะก็คํานวณเวทนาที่จะเกิดในอนาคตได้ก็ไข้ควรได้แล้วก็ชัดเจนได้เหมือนกันแล้วเวทนาของตนเองก็เป็นเวทนาภายในส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งนะแล้วพิจารณาเวทนาภายนอกคนใดๆก็ได้ดู พิจารณาเวทนาในเวทนานะภายนอกที่เรียกว่าเวทนาในเวทนาเนี่ยมันหมายความว่าเวทนามีอยู่เก้าพิจารณาเวทนาใดเวทนาหนึ่งเขาเรียกว่าเวทนาในเวทนาเวทนาในเวทนาภายในคือเวทนาของตนเองคือเวทนาในเวทนาคือเวทนาหนึ่งในเวทนาเก้าของตนเองเวทนาหนึ่งในเวทนาภายในเก้านั้นของบุคคลอื่น ก็ต้องพิจรารณายอย่างนั้นด้ต้องเอามาวิจัยบนแหละทำไมต้องกําหนดพิจารณาเวทนาภายนอกด้วยสําคัญยังไงเวทนาภายนอกเป็นที่ตั้งของตัณหามานาทิฏฐิได้ไหมเอาเห็นลูกร้องให้ปวดใจไหมอเอออันี้โทษโทษเหการไม่กําหนดรอบ ร, รู้เวทนาภายนอกนี่น ต, ต่อไปกําหนด ใ, ห ม, นนใหม่ไม่ใช่ก็กําหนดเวทนาไงนั้นก็คือสาภาว่าธรรมชนิดหนึ่งไง นั่นก็คือเวทนาชนิดหนึ่งเป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่งคือธรรมชาติที่สวยลมภัยนอกใช่ไหมเขาร้องขึ้นมาดังๆเนี่ยนั้นก็รู้ว่านั้นโทมนัสเวทนากำลังกูดขึ้นกับกระแสขันนี้แล้วที่มาเรามาสมมติว่าเป็นลูกเราเนาะมองที่ไร <c oughs> <c oughs> สมมติยาวขึ้นอ๋อ ทุกขเวทนาก็คือก็คือตั ว, ตวทุกขเวทนานั่นแหละถ้าถ้าทุกโดยสภาวะมันก็ทุกมันอยู่แล้วจะสุขจะทุกเจ้าเวขาก็คือสภาวะเป็นทุกอยู่แล้วพระเจ้าบอกว่าให้เห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกให้เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรเห้เห็ะทุกขมาสุขเวทนาด้วยความเป็น <ไง S 1> ของไม่เที่ยงก็งงได้โดยอย่างนี้อย่างที่บอกไงสภาวะของเวทนามีแต่ทุกอย่างเดียวมีแต่ทุกอย่างเดียวเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นทุกขศัพอันนี้ต้องยาริปัตนา ก็ศึกษาให้เข้าใจแล้ววิจัยเลยไอการวิจัยแล้วเข้าใจนั่นแหละวิปัสนาแล้วสกเวทนาก็เป็นทุกข์ไอเวขาเวทนาแบบทุกข์ก็เป็นทุกข์สัตว์ไงใช่ไหมนี่เรามาแยกกันโดยสภาวะเท่านั้นเองอ๋อเพราะเป็นเวทนาที่เป็นที่ชื่นใจของสัตว์ก็เลยสมมติเรียกว่าสุขอ๋อเพราะสัตว์ทนไม่ได้ก็เรียกว่าทุกข์อ๋อเพราะว่าสัตว์นั้นเฉยเฉยก็เลยเรีย ก, กอุเบข า, าแท้จริงก็คือทุกข์ ทุกขสัตว์แม่ขันห้าขันห้าเป็นทุกขสัตว์ใช่ทุกขสัตว์นีเองก็คือเป็นทุกขสัจจเป็นความจริงของพระพิจิตเจ้าใช่ไหมเป็นความจริงของพระพิจิตเจ้าเป็นความไม่ค่อยจริงของผุ้ด <parece> <ป> <picky> ูชนผู้ดชนบอกว่าไม่ไม่ค่อยจริงก็บอกเป็นสุขเป็นทุกข์รือเป็นสุขเนี่ยไม่สุขได้ยังไง่ะลูกเราล้อมอ่ะลูกเราดีใจอ่ะลูกดีใจต้องดีใจตามลูกเราเชื่อว่าจริงจริงที่ไหนใช่ไหมมันดับไปแล้ว ไม่ต้องนานแล้วที่จริงมันขยับอยู่ตลอดเวลานลย<ด>มันขยับตลอดเวลาลเวทนาวมสก็ดับตลอดเวลาใครนั่งอสอบตกเลยลดเลได้ปกติ ค, ค, คือคือคือในด้านของไอ้ไอ้มาคุสรยานวิบยุทธ์เนี่ยก็ใหม่ๆเนี่ยโดยมากก็จะเป็นมาคุสรยานวิบยุทธ์ใช่ไหมจากการศึกษาจากการฟังแล้ะในสื่อจริงมันจะเกิดจากการวิเคราะห์ ท่านก so mm ็บอกว่านะจะสร้างเหตุของสมบยอ์ก็ดียานาสมบยอ์หรือยานวิปยุทธจะมีเหตุมีเหตุจะสร้างได้มีอาหารของเขาจะสร้างเป็นคนเป็นอุเบกขาก็ได้เป็นสมนัติก็ได้ก็มีเหตุใช่ไหมเอ้าเราก็ตั้งอธิยาสายว่าเราเนี่ยปรารถนาจะเป็นประเภทยานวิปยุทธหรือญานาสมบยอ์หรือจะเป็นอุเบกขาเวสมนัตอุเบกจะเป็นสมนัติหรือเป็นอุเบกขาถ้าปรารถนาเป็นสมนัติใช่ไหม อุเอขาเป็นต่ารธนาเท่าไรก็เอาโสมมานดน้นะถ้าปารธนาปนเป็นโสมมาได้ก็เจริญแล้วจเจริญพุท ธ, ธานุสติจเจริญธรรมานุสติจเจริญสังขานุสตินะสีลานุสติเทวานุสติเป็นตัวนี้นะเอาพอจเจริญอนุสติเหล่านี้หรือหรือเอาพรสูร่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอาพิจารณาดูสิอาคาตโตเวเปซันนานางาางังคังธรรมมังวิชาณตงางรสมาษารตยายได้ที่ไหมเมื่อบุคคลมาเลื่อมใสแล้วในทำที่เลิศแล้ว เป็นทำที่พ้นจากกิเลสเครื่องย้อมต่างๆว่าไปเราพิจารณาพระสูตรที่เป็นที่ตั้งความเลื่อมใสเนะ่เช่นทานานีสังสสูตรเป็นต้นเราเนี่ยนะเอาพิจารณาสูตรนี้นักเข้าน่ิมันจะเกิดสมนัตินั้นคนที่เกิดสมนัตง่ายเวลาทํากรรมก็ทําได้สมนัติพอทำกรรมได้สมณัตง่ายๆมหาบุตรโกรธขึ้นเป็นสมนัตเลยอีกทีอ๋อโสมนัตมีทั้งเวบมีทั้งสามแล้วก็พิจารณาเฉตุปัจจัยที่จะเป็นสมยุทธ ใช่แล้วพิจารณาอะไรล่ะท่านก็สอนอพิจารณาอยู่ครบคนที่มีปัญญาใช่ไหมฟังภระสัตว์ทมครบคนที่มีปัญญาห่างไกลคนที่ทุปัญญาคนที่ไม่ค่อยมีปัญญาใช่ไหมแล้วก็วิจัยในขันภาคอายตนาสัจจะอะไรต่างก็ว่าไปมันก็เป็นไหนก็สร้างเหตุญาณสศมยุทธ์ด้วยเป็นสมานัตด้วยมันถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยสร้างได้สร้างได้ ไ, ด ไ, ดไม่โอ้หไม่ได้รักสภาพนะ เราเกิดมาเราเป็นคนอย่างนี้เราก็ต้องอยู่อย่างนี้ตลอดใช่ไหมถ้าเป็นญานวิประยุทธ์แล้วมันไม่ใช่ยานทีนี้เออเป็นอสังคาลิกหรือสังคาลิกอะก็มาวิจัยใช่ไหมวิจัยดูเออเนี่ยเราโดยมากเป็นสังนะใช่ไหมสังก็สมมุติว่าเออเขาเอาเอเขาศึกษาประธรรมกันเนี่ยเขาเขาเรียนตล้วก็บายบา ย, บายโมหเรามาก่อนคิดก่อนก็ไว้ๆๆ <c oughs> ใช่ไหมคิดก่อนให้เป็นสังอสังก็ไว้อะ คิดก่อนทําก่อนค่ายควรก่อนมันตั้งศึกษาก่อนตั้งที่นักเอาเนี่ยเป็นกันได้นัก เ, า เ, าเอาวิทยาสั ง, งกฤตเลยเนี่ยถ้าเป็นสาสตรังกฤตเนี่านายเราแฉดอะไรเขาจะเรียกไม่เรียกไม่ไปเราก็ยุ่งเลยเนี่ยไม่เป็นอาสังสาสารเลยเนี่ยเนื้ในการประเภทอ่อนแอเลยจะบรรลุเต็มที่ต้องรอคนเรียกอยดีนม้ละอันนี้มันเห็นไหมเหตุปจัจจัยมันก็ตามตามได้เนีพระพุทธเจ้ายก็จะสอนหลักการว่าอือเนี่นอยอันนี้สร้างเหตุปัจจัยของอาสังมีสาสัง นิยาณวิปยุทธิยาณและสำปยุทธ์นี่เป็นสมณะนี่เป็นเวขาสนุปแล้วก็คือเป็นปัจจัยเพื่ออะไรเพื่อบรรลุธรมรมเพื่อแทงตลอดสัจจะไอ้ตรงนี้ก็ข้อก็ออพิจารณาอยู่ดูไม่ยากนะนั้นะไม่ยากเลยเดี๋ยวนี้เวลาศึกษาอย่างนี้แล้วเดีนี้เราก็โอ้เริ่มเริ่มเข้าใจแล้วพอพอเข้าใจทีนี้มันกําหนดทิศถูกก็เหมือนแต่ก่อนเนี่ยมีโยมนะียฟังพระธรรมอัตมาก็ปัญญายไปเลยเ ปัญยายจากที่เธอไม่ค่อยไม่ค่อยศรัทธาไม่ค่อยแรงต่างก็ฟังไปเรืเ่อยๆทุกเช้าทุกเช้าทุกเ้าทุกเช้านี่นะนะเข้าเน่ยเข้าเนี่ยเออพอเห็นนานๆเข้าอรมามาก็เริ่มกาหนดทิศเออมีนะพอเริ่มศึกพอเข้าใจพระธรรมเนีเ่ยนะก็มกันเดี๋ยวนี้ชีวิตของบุคคลที่ศึกษาพระธรรมต้องมีทิศทางที่ถูกต้องนะอทิศ ท, ทางที่ถูกต้องเออเราจะเดินทางไหนเนี่ยมีอยู่สามทางอะ่ะนอกนั้นนไม่ใช่นะหนึ่งสัมมาสัมโพธิโพธิสัตว์ สมาจะเป็นโพธิศาสตร์ประเภทไหนสมาสโพธิก็ได้ปัจเจกสโพธิหรือสาวะสัพโพธิใช่ไหมถ้าไม่เอาเลยสักโพธิเนี่ยเนี่ยโพธิเนี่ยเป็นชื่อของอะไรโพธิญาณเงี่ยใชต้นโพก็ได้เป็นชื่อโพธิปัจจัยธรรมเป็นชื่อของอริยมรรคเป็นชื่อของพระพิพัฒนเป็นชื่อของนายโพก็ได้นายโพไม่เอา ไม่เชื่อของบุคคลเนี่ยจิตตโพลตโพลเนี่ยเยอะแยะหมดทีนี้เราก็มาเลือกดูว่าเออเราเราจะเดินยังไงเนี่ยแต่ถามไม่เดินได้ไหมต้องเดินต้องเดินแล้วใช่ไหมพอรู้ว่าธรรมต้องเดินแล้วไอ้ข้างหลังก็บีบมามันก็มีหลายทางอเลยนะสามทางแล้อีกทางหนึ่งก็มันออกนอกแล้วนุ่นเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมใช่ไหม เง น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเป็นเป็นเปรตอสัรกายสยดงฌาตนตนลกมีทางอันนี้ก็มีอยู่ใช่ไหมแต่ทางนี้เราจะเดินยังไงเนี่ยสามทางเอาถ้าไม่เอาเราก็ออกนอกทางาศาสนาเลยถ้าไม่เอาก็ออกนอกทางไปเลยอันตันที่สามตัวอ๋อัวที่ตัวที่สงสมัส า, มมาสามัมโพธิปัจเจกภู ต, ตแล้วก็สาวกกว่าตัที่สอ่ปัจเจกใช่ไหม แล้ไม่เลือกไม่ได้จริงๆนะไม่ไม่เลือกไม่ได้เห็น <c oughs> ไหมเออมันคำว่า <c oughs> คือพวกเราเนี่ยเป็นอะไร <c oughs> เขาเรียกว่าสัตว์โลกสอเสือไม่หันตอเต่าวแหวนสัตวะเนี่ยก็แปลว่าพวกข้องพวกข้องอยู่ในสังสารวัตรข้องข้องก็งติดติดขัดเนี่ยอพวกข้องอยู่ ผ่องอยู่ผู้ติดอยู่ในสังสารวัตรแต่ถ้าใส่คําว่าโพธิเนี่ยโพธิสัตว์แปลว่าสัตว์ผู้ปรารถนาโพธิปรารถนาการตัดส้วั่ปรารถนาการบรรลุอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่ปรารถนาจะค่องอยู่ในวตาเนี่ยใช่ไหมไม่ได้แล้วต้องตะเกียจตะการต้องปล่อยคว้าใช่ไหมใช่ก็ก็ปรารถนาเอาไม่ใช่ คำอธิษฐานบารมีเนี่ยอธิษฐานแล้วก็นั่งแช่ไม่ได้นะก็เขาบอกว่าบารมีบารมีเออเดียวกันในเรื่องของอไรเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเครื่องบำรุงต้นโพะเครื่องบำรุงโพธิเนี่ยนะ ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีใช่ไหมที่เราสวดกันเนี่ยวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะอธิษฐานนะเมตตาเวรขังสิบเนี่ยต้องมีที่ในสิบอย่างเนี่ยเนาะถ้าประเภทที่เอาแค่ทานเนี่ยนะเอาแค่ทานเนี่ยนะถ้าระดับเออสมมาสัมโพธิเนี่ยสลับมาพูดระดับชีวิตได้เลยระดับระดับชีวิตนี่ให้เลย ไอ้ภายนอกไม่ต้องพูดถึงและมีเท่าไรน้อมให้หมเลยอันนี้คือสมาลบำบัที่นะ่นิทานาเนี่ยระดับสูงท่านแล้วนะระดับสูงท่าน ก, ไา ก, กน็ไปจากเล็กๆนี่น่ะไปจากเล็กๆเนี่ยนะเข้าจากเข้ า, ขาพลังของของอธัธยาศัยของท่านมเต็มเปลี่ยมขึ้นมาสละเลยเป็นเรื่องปกติของท่านเลยสละตาสละชีวิตสละอายุวะนี่เรื่องปกตินะรือรักษาสีนของท่านก็เหมือนกันปัญญามันมืมือ สรุปแล้วปัญญาจะมาตรวจสอบหมดแล้วปัญญาบารมีเนี่ยนะจะคอยดูแลฐานในบารมีถูกต้องไหมศีลบารมีถูกต้องไหมเนข่ข ม, ม, ม้าถูกต้องไหมวิริยะถูกต้องไหมขันติสัจจะที่ฐานนะเมตตาเวขาเนี่ยมันมันหลงชิดไหมปัญญาจะมาคอยกำกับนะในการเดินเดินตามบารมีเนี่ยสูงระดับไหนเนี่ยปัญญาท่านมันค่ควรนะนะท่านสลามนี่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้นี่คือสัมมาสัมโพธิในกลุ่มนี่นะ ถ้ากลุ่มปัดเจกับโพธิเนี่ยไม่ถึงขนาดชีวิตแต่สามารถสละวิวาได้กวิวาเนี่ยนะถ้าสาววะกบกับโพธิก็ก็ลองลงทีนี้ลองลงมาถามว่าขนาดไหนจะเอาของใครถ้าระดับอัคระสาวกก็สองอสงค์เออหนึ่งอสงไข่พระสาวริบุตรพรโมคคาณนะนี่หนึ่งอสงไ ข, าานะงงข่ใช่ไหมถ้าลองลงมาเป็นเป็นมหาสาววก็เป็นพวกแสนกลับแสนกลับ สสรกับห้าหมื่นกับหกหมืนกับเจ็ดหมื่นกับอะไรก็แล้วแตนะนะไล่มาจะเป็นหมื่นเป็นพันกับนี่นะก็ก็กกแล้วแต่ต้องการมีชื่อเสียงไหมลนะ่ะบรรลุด้วยมีชื่อเสียงด้วยหรือบรรลุแบบไม่ให้มีใครรู้จักก็ได้ไตายแบบไม่ให้มีใครรู้จักไม่เขาไม่บันทึกประวัติไว้เลยบนะันทึกได้แต่เพียงว่าห้าร้อยห้าร้อยอยู่ในนั้นนะ่ะหนึ่งพันอยู่ในนั้นอย่าง น, นี้ยก็ไม่ไปดังก็ก็แล้วแต่ เอาในดีกลับไปชิดใหม่ก็จะเอาเภบไหนใช่ไหมจะเอาแบบไหนมันรู้แล้วมีคนปรากฏนามบันทึกชื่อไว้หน่อยให้เขามาศึกษาประวัติหน่อยอะไรเงี้ยอย่างเราศึกษาประวัติของท่านเนี่ยนะอันนี้แปลว่าโอ้ไม่ธรรมดาแล้วมีชื่อปรากฏเลยก็อย่างพระนน้นเน่ยนะพระนนท์โอ้ปรากฏมากมายเหลือเกินเป็นพันธาคาที่ก่าเลอปริยัติเลยหลวงพ่อธรรมเนี่ยอยู่ป่ายลิ้นท่านนะท่านรอฟังอย่างพระพุทธเจ้าเนะี่ยแปดหมื่นสองพันประธรรมขันฟังโดยตรงเลยนะ แปดหมื่นสองพันพระธรรมขันฟังจากพิกษุอื่นสองพันโดยเฉพาะภาษาริบุต ร, รวมไปแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมาขันนี่พานน์นนะตอนที่พระบรมศา ส, สดาสเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยนะโอ้ก่อนจะปรินิพพานนีะ่ตอนนั้นอีกสามเดือนจะปรินิพพานนะที่ตอนที่พระพุทธเจ้าปรงพระชนมาโยสังขารที่ปาวาลเจดีเนี่ยนะพานน์์ร้องไห้เลยตอนนั้นเป็นพระโสดาบันนะ เป็นพระโสดาบันไปก่อสลักเพชรร้องไหเ้เรไม่ไหวแล้วอาทาไมถึงร้องไห้ท่านบอกโอ้พระบรมศาสด า, า, าไปรับปากกับมารแต่แล้วว่าอีกสามเดือนต่อแต่นี้ไปตาตาก็จะสดดับขันเทรินิาพาันโอ้ยพระพูดแค่นั้นเนอะพระนนท์ยุ่งแล้วที่ยุ่งก็คือพระนนท์อยู่ใกล้คิดไม่อลาธนาเนี่ยพระเจ้าทํานิมิตโอภาสิบหกครั้งเน่ะมารดนใจคิดไม่ออกทั้งสิบหกครั้งเลยเนี่ยอูเสียใจมากพระเจ้าต้งเรียกว่าปลอก บอกดูก่อนอนานุ่นเห็นไ้มบอกว่าไอ้สังไอ้จะไปอะไรอวรก็บสังขารนี่เป็นต้นไอ้ไปยัยเป็นต้นแะไรเนี่นนมาปลอบ้านนวลก็ฟื้นคึ้นส่งขึ้นมาแล้วพระเจ้าเกษตรจาริกจาฟปาวาเลเจดีนะเออจากไอจากไอเวรุาคามก็จาริกไปตามลํานดับไปชำภูคามอัมภูคามโพคนาครตามลำดับปาวาแล้วก็กุสินาราไลไปตามลานดับเลยเถอะ้าลากแผนที่ไปก็จะเห็นนพระองค์เดินจาริกไปตามลํานดับ ถ้ยิงไปสถานที่จริงนะโห้ภาพปรากดใหเลยดิเห็นผมไล่ตามลําดับไปแสดงทำไปตามลําดับเนี่ยภาษานะั้นเดินในสุดก็เข้าบ้านนายยุทธานนะี่ยออกจากบ้านนายยุทธ า, าเขาจะไปที่สถานที่สาราวโนทะยานที่สถานที่ ป, ปรีดีพันเดินไปอีนีดเดียวเดินไม่ไหวนะก็ให้พระอนปูราสังคติสี่ชั้นบอโอ้อดูก่อนนะุ น, นดาตาคนไม่ไหวแล้วเตามไม่ไหวแล้วใช่ไหมหนักเหลือเกินนะี่ย ไอ้ครับว่าหนักเหลือเกินเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรด้วยไหมเราต้องมามามามาแปลพุทธพจน์ทุกคำเนีต้องมาอัฏฐาอธิบายเจาะพุทธพจน์ให้ถึงนะว่าเออผู้เจ้าพูดํานั้นนนหนักเหลือเกินว่าเนี่ยขันท่าหนักมากสัตว์ทั้งหลายดูอัฏฐานโคดเธอจะมัวแบกกันอยู่ทําไมด้ยอัฏฐานนะเราต้องเข้าใจท่านนะด้วยอัฏฐาล้วพวกเธอจะมาเที่ยวแบกขันท่ากันอยู่ทําไมท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏพบน้อยพบใหญ่เนี่ยพวีพวาวผู้โอ้ดิจะไปท่องเที่ยวกันมาก ทิ้งเธอบอกอานุนเราหนักมากขันเนี่ยหนักกูุณาธนาสัญญาสังขานี่หนักมากขนาดขันนี้เป็นขันที่ไม่มีกิเลสยังหนักเพียงนี้ใช่ไหมไม่มีราคาโทสะโมหะมันยังหนักเพียงนี้นะแล้วขันพวกเธอที่ยังมีราคะาโทสะโมหะทั้งหลายเนี่ยนะแล้วมีหนักแสนหนักว่าเธอจะต้องไปแบกกระแสขันอีกไม่รู้กี่ล้านกี่โกดขันนะ ในสังสารวัตที่หาเบื้องต้นไม่พบเนี่ยมันต้องมาวิจัยได้ใช่ไหมวิจัยพุทธพจน์ตรงนี้ฟังดูอ้ไม่ธรรมาดาแล้วนี่พอถึงตรงนั้นไปเรจตตะขาพระพุทธเจ้าก็จาริกไปก็ไประหว่างนะต้นลังคู่ต้นลังคู่อาจจะตะขาท่านก็ขยายหมายถึงต้นลัเนี่ยนะไอ้ต้นหนึ่งอยู่ไปศีรษะนะอีกต้นหนึ่งก็อยู่ไปเท้านะ แตดีกาเขาบอกขยายกิงต้นหลังต้นนี้คือคู่กันนั่นแหละติดกันแล้วขยายแผ่กินไปเนี่ย น, ยนยสรุปก็คือตายจนหลังตายจนหลังหลวงพุทธเจ้าก็ก่อนหนุนเสด็จบรรทมเนี่ยพอเสด็จบรรทมเบสเสรมนุษย์เทว์ไอพรพตอนนั้นภิกษุนี่นะเป็นพระสังฆเถรละเป็นพระสังฆเถรรัเจ็ดแสนลูกไม่รวมลูกศิษย์เะจะเฉพาะพระสังฆเถรละนี่นะเจ็ดแสนลูก มาชุมนุมเต็มือเลยพิสูจน์ดอะไรต่างแล้วนั้นเต็มไปหมดเจ้าก็คิดดูเลยคนหลายร้านเนียนะคนจํานวนหลายร้านคนที่มามาชุมนุมกันทีนี้พอหลังจากเบ็ดเสร็จพระพุทธเจ้าก็แสดงเกี่ยวเรื่องอะไรไปตามลําดับนะว่าไปในเรื่องของถูปลารหาบุคคลเรื่องการบูชาอามิสบูชาธรรมะบูชาตามดับไปไลยไปตามดับนะเข้าพุทธเจ้าก็ถามว่าก็เออพระธรวิวนัยที่ตาถาคตแสดงเนี่ยเนะน่ะ บอกว่าดูก่อนอานุนทำวินัยที่สถ า, าพแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำวินัยนี้จะเป็นศาสดาของพวกเธอหลังขาดลงไปเล้วที่แสดงแล้วหมายถึงพระองค์เทศนาแล้วบัญญัติแล้วก็บัญญัติลงในไหนบัญญัติลงในขันห้านี่แหละพระธรรมคาสอนของพระเจ้าไม่มบัญญัติลงที่อื่นเลยอยูม่มาบัญญัติลงในขันห้านี่แหละพิจารณ์เขาบอ ก, กว่าทาแล้ววินัย ธรรมะในที่นั้นคืออะไรธรรมะนั้นเธอพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมหรือวินัยก็คือวิ น, ยนยัยโดยสรุปแล้วก็คือปิฎกสามนี่แหละตถาโพสแสดงแล้วบัญหยายบแล้วทําเรื่องในนี้นในในจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปเห็นเราก็ตัดไปทำเด่นเบ็ดเสร็จพุทธเจ้ากระทับอกว่าเออมีใครสงสัยไหเนะสรุปแล้วพระที่อยู่ที่นั่นอย่างต่อมูรุปัสวดาบันใช่ไหมไม่มีใครสงสัยเออก่อนหน้านั้นก็คือสุภัสทะปริบาติชคมาเข้าเป่ายิา่มไหมแต่พระอนุทิแรกก็ไม่ให้เข้าเปา พอแม่เขาเป่าไปเสร็จเ้าก็เจ้าก็บอกเออบอกให้เข้ามาที่ว่าคาถาพุทมาปรินิพานหน้าที่นี่ส่วนหนึ่งคือมาโปรดสุภัต t ะ a สุภัต t ก็เข้าเป่าก็ถามเออนี่มีคนใครก็กล่าวว่าตนเองเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้นเนี่ยเอออยากจะทราบว่าใครเป็นพระอรหันต์นะสามมาสมมติพระเจ้ากันแน่ใช่ไหมเพราะใครก็ประกาศตนเองว่าเป็นสัพพัญญูเป็นพระอรหันต์พระเจ้าก็ดูก่อนสุภัต tha บอกว่าอย่าไปควนขวายในเรื่องตรงนั้นก็เลยบอกว่า อริยมรรคในแปดใช่ไหมในธรรมวินัยใดในธรรมวินัยใดมีอริยมรรคองแปดภิกษุก็มีอยู่ในพระธรรมวินัยนะแล้วก็บอกว่าในธรรมวินัยของตถาคตนี่มีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ฉะนั้นในธรรมวินัยของตถาคตนี่มีพระโสดาบันสกขานาคาและพระนางเพราะอะไรเพราะมีอริออมออมอยมรรคในองค์แปดแสดงว่าบบคือสิกขาสาเพอเบ็ดเสร็จแล้วก็สุภัธาบริาพ า, ราชสุภัทาบริพาโชกก็ได้บวญ พบวบ็เสร็ก็เข้าไปเจริญในสุดจริงได้เป็นภาษาวคองสุดท้ายใช่ที่ได้เจอได้เป่าพระทันทันพระเจ้าทีนี้ต่อมาพทธเจ้าก็ถามไม่มีใครสงสายพระเจ้าบอกว่ยหันทานี้ใช่ไหมพระเงียพระเจ้ามีเงียบเ็สพระองค์ก็ตรสตอนใกล้ใกล้ชิมยะพระองค์ก็ตรัสว่าหันทานีพิกเวียมันเดีมิวยายธรรมมาสังคาราอั ป, ปมาเดนะสัมปันตลองดูก่อนทั้งที่สือทั้งหลายสั้งฐานทั้งหลายมีเ่ย ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมานสรุปลงตรงไหนไม่ประมาทจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ของอื่นด้วยความเมตต์ได้มาก็ยังอะไรยังสิกขาสามใช่ไหมยังสิกขาสามนี่นเองให้เกิดขึ้นยังศีลสมาธิปัญญาใเกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทสรุปแล้วอภิธรรมเนี่ยเป็นสรุปลงรวมลงศาสตาพระเจ้าในตอนนั้นพระเจ้าก็ไม่พูดเลยก็เข้าสมาบัติเลย เข้าปฐมฌานทุติยฌานตัธิฌานเจดุตฌานเข้าดูปฌานตามลำดับใครเห็นผ่านนุรุธทังก็เข้าสมาบัติตามนี่นี่แปลว่าอะไรแปลว่าสาวกของพระพุทธเจ้านี่นะสามารถรู้วาลจิตของพระพุทธเจ้าได้เห็นไหมนี่ใช้มหากริยาญาะสัมปยุทธ์เนะไปรู้อะไรไปรู้ปฐมฌานทุติยฌานกริยาของพระพระพุทธเจ้านี่เข้าปฐมฌานทุติยฌานตัธิฌานเจดุตฌานดูปฌานก็เห็นแล้วก็บอกบอกเลยเหมือนโคศกส่วนตัวเลยตอนนั้นนะ ตอนนี้พระบรุตรเจ้าอยู่ในปัฏฏมชานแล้วพระเอยภิกษุอุบาสกบาศิกาภิกษุนี้เป็นต้นก็ตื่นเต้นนะรอเงีเยบกันหมดเห็นะหฟงังพระเจ้าปริลนิพานย่งเงีเยบไปไงี้นะพระนุรุทธะก็เข้าเข้าเข้าสมาบัติเป็นฐานของที่ไปจกักนขะูเนาะก็ดูวาลาจิต น, นะนะก็ดูเบสิทธ์ดูเจโตปริย า, ยานดูออย่างก็กลับมาบอกย่างตอนนี้อยู่ในปัฏฏมชาน ยังตอนนี้อยู่ในทุติยาชานตาัดที่จตุทาชานพ่ตอนนี้เข้ารูปฌานไม่คือพระองค์เจริญสมถวิปนาสสลับกันไปเนี่ยแล้วก็เข้าอนุปภาวิหารเลยเข้านิโรธสมาบัติพอเข้านิโรธสมาบัติพวก็กพระอนุรโทธาก็บอกว่าตอนนี้พระศาสดาเข้านิโรธสมาบัติแล้วพระก็เงียบเงียบกันหมดตันี้ออกเลยออกจากนิโรธสมาบัติก็ตอนนี้ออกแล้ว แล้วก temples, me, an ana, an ana, ็ทวนลงมาแล้วตอนเนี้ยเข้าวิญญาณนั่นเข้าเนวาสัญญาณาสัญญายาตนะอากิงนญาญาตนะวิญญาณัญญายาตนะอากาสาัญญายาตนะจตุทะชานใช่ไหมตัด wan, right, ีชานเข้ามาตามดาวแล้วก็ทุตีชานปฐมชานออกจากปฐมชานกลับเข้าปฐมชานใหม่ที่จริงถ้ยจะมาพูดอีกําไม่พูดด้ยนะเข้าปฐมชานใหม่แล้วก็เข้าทุตีชานตัิยชานจตุทะชานบอกตอนนี้อยู่จตุจะชาน ออกจะดาบจะตัวทัชฌานปริญญิพานจิตก็เกิดทันดินสะเทือนเลื่อนลั่นเลยเลยพระบางรูปยืนอยู่ประดุจกังคนเท้าขาดบาทเบิดหลุดที่เป็นเป็นพระโสดาบันนี่นะร้องร้อไห้ระงมเฉพาะพระโสดาบันนะไปะดุชนชาวบ้านหรือเทวดาไม่ต้องพูดถึงทันดินไหวใบไม้ร่วงใช่ไหม เลื่อนลั่นเนี่ยสะเทือนกันทั้งโลกกันนะตอนนั้นนะสะเทือนกันทั้งโลกเทวดาสําคัญพื้นดินเป็นอากาศบ้างสําคัญอากาศเป็นพื้นดินกลิ้งเกลือ ก, กันบนพื้นดินบนอากาศเต็มไปหมดเทวดาเนี่ยนะร้องไห้สนัน่น ว, วั่นวายแหละภิกษุที่เป็นพระหรหัเนี่ยนะก็ยังสงเวขาธรําไม่เกิดขึ้นคือท่านก็สลดเลยนะนะเพราะว่าอุสังขารของพระเจ้า ขนาดว่าสั่งสมอัธยาสายมาสร้างบุญบารมีมาทั้งเสียสงขา ย, ยิ่งโดยแสนกับยังทังทลายได้ถึงปันนีใช่ไหมแต่เท้ า, ทาส ก, กา่านีอนิจาวัตสังขาราอุปาโทยธรรมิโนอุปชิตวานิรจจันติเตสังอวปสโมสุโหนโบอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นและมีการต่อไปเป็นธรรมดาการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขมากใช่ไหมโบอุสังขารไม่เที่ยง แต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสงขารมยานี่ไม่เที่ยงใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเนี่ยนะสรุปแล้วคือขันห้าเนี่ไม่เที่ยงไหมมีความเกิดขึ้นก็แปลว่ามีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าขันห้าเนี่ยเหตุเกิดของขันห้าคือคนสมุทยัยไอตัวขันห้านี่เป็นตัวทุกขสัตว์ไอเหตุเกิดของงานห้าเป็นสมุทัยสจายใช่ไหมทีนี้ การเข้าไปสงบแล้วครับสังขารนั้นเป็นนิโรธาสัจจะใช่ไหมจ๊ะปฏิปทาที่ให้เข้าถึงนิโรธานั้นเป็นมารกษัตริย์สรุปแล้วก็คือท้าสกาา่าเอาอริยสัต์เจมาสาทะยายะมาสาธยายนโรงสังเวชโรงสังเวชในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่เจ็ดเนี่ยเขาก็บูชาพระศรีราศศพของพระทเจ้าด้วยเนี่ยสังเวชทําเป็นส่วนมากเลยเป็นอย่างนี้นะ พระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ทบทวนกันขึ้นแสดงทำเรื่ลงต่แต่พระอนนนี่ธรรมะไม่ค่อยปรากฏเลยก็หมความคุ้นเคยพระอนนที่คุ้นเคยคุ้นเคยกับพระบรมศาสด า, า, ามากคุ้นเคยมากจริงเนะี่ะทีนี้ทีนี้ว่าพอพอวันที่เจ็ดกทท็ทําพิธีเผาศีลศพใช่ไหมที่มกุูดพันธนเจเดีย์ที่ตรงนั้นเนาะ เป็นกองพวกไอ้มรรกษัตริย์ก็สร้างไอ้สันถาคารขึ้นมาสักการละบูชาเผาพระบรมศพอยู่เจ็ดวันนะบูชาสรีระศพเจ็ดวันเผาอู่เจ็ดวันเป็นเท่าไหร่สิบสี่วันเนาะพอสิบสี่วันเสร็จปุ๊บก็เอาพระเปิดเปิดไอ้าออกผ้าเจ็ดร้อยคู่นะ ไหมหมดเัยนะเหลือคู่สุดท้ายกอเหลือคู่แรกนะไปไปไหมคู่ข้างในแต่เหลือคู่แรกเพเปิดมาอย่างทองคำนะเป็นเป็นพระธาตุเป็นพระาธระาตุก็ทำพิธีบูชาพระาธาตุอีกเจ็ดวันใช่ไหมเป็นเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบอดวันบวนเลยวันที่ย1สบอดโทนาพาหมก็แบ่งเพราะบรมสารีริกธาตุในวันนั้นท่านพระมหากรสก็ประชุมภิกษุ สังกะเถระพร้อมดีพิสูจน์สมทั้งหมดแล้วก็อ้างเรื่องของสุภาาัทวาุทธะเป็นปรชิดกล่าว จ, าจับจ้วงประทำที่ไหนแล้วก็บอกว่าเออเราจะทําในภาษานี้จะทําสมปถมสังขยนากันทําที่ไหนดีวะที่ครุงราชพฤกษ์พระเจ้าปลินิพานที่ที่กุสินาราใช่ไหมอ่าเขบอกว่าคัดเลือกภิสูจน์ห้าร้อยไงก็ได้ห้าร้อยรูปก็เอาผ้านอนอีกหนึ่งรูปเลยตอนนั้นยังเป็นพระโสดาบันอยู่แต่พิกษุน์สมทั้งหลายก็เลือกเพราะเลือกเบ็ดเสร็จก็ต่างคนต่างก็เป็นหมู่เป็นคณะกันเอ่าจาริก ใครจะอยู่ในที่นั่นตอนพระนุรุธทธะก็พาภิกษุ700รอลูกเดินล่วงหน้าไปไปกรุงราชคลืค่พระมหากระสมก็พา500รอยลูกไปกรุงราชคลืค่นพระนอมภาพายห0ารอยลูกพร้อมอีกคณะเยอะนี่ยนะติดตามพระนนไปเสาถีไอที่เหลืออีกประมาณ700ร้อยลูกมีพระปุณณะเป็นหัวหน้านะก็บอกเออจะอยู่คอยเทศปอประชาชนที่มาที่หลังที่ยังเศร้าโศกอะไรวอนนี่นะได้ส่วนหนึ่งก็พากันไปคนละสายสองสายเลยสรุปแล้วก็บอกว่าในจำจำสาที่กรุงราชคลืค่นะ ปีนี้นะเพราประชุมสงเลยให้จำพรรษาได้แค่ห้าร้อลูกนอกนั้นให้ออกนอกเขตมืเลเพราะเดี๋ยวจะมาทำำํากรรมยังไม่มาทําให้กรรมเสียหายเพราะว่าสงจะทําประชุมสังปฐมสังขารนากันก็ไปพระนรินทรก็เดินทางไปหวัวไปที่ไหนแต่ยุ่งพระนรินทรก็ท้อทั้งบาทของพระเจ้าจีวรด้วยถือบาทถืออีวรพระเจ้าไปเดินทางไปที่ไหนคนที่มาไม่ทนันเจอข้างทางก็ทับพระนนทร์ใช่ไหมดูก่อนกันพระนรินทร์รู้ข่าวแล้วนี่ แต่ก่อนมีผู้ผานนวลอยู่ที่ไหนผู้เจ้าไปด้วยตอนนี้พ่า น, นอนเอาผู้เจ้าของข้าวเจ้าไปไว้ไหนโอ้โหตายร้อยอมร้องไงผ่านนวลเรือตอบไงเป็นทางไปอ้าวเป็นแถวไป็นโ น, น่นนี่เศ้าโซกกันไปแถวเป็นพอไปถึงที่ไปถึงที่สาวัถีแม่ตอนนี้พอไปุสาวัถีที่ไรภาพนี้มันจะปรากฏเลยสาวัถีเป็นกุฏิของพระเจ้านะี้เป็นกุฏิของพระเจ้าพราผ่านนอนไปถึงโอ้โหล้างหมดเลยวัด ถ้าไม่มีอยู่กันสักรู่เลยไปงานสอบพระพุทธเจ้าลกปรุงลังปวกขึ้นเข้าไปที่กุฏิของพระพุทธเจ้าดอกไม้แห้งแหงเต็มหมดเลยเนาะที่ควไปบูชากองกองกองก อ, องเขาไว้เตียงตังผ้าเนลตะไบร้ อ, ไองไห้ไปทำความสะอาดไปโดยสมนุนร้องไห้ไปทำความสะอาดไป พอทําความสะอาดเส็ดเสร็จก็ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาบรรทมแล้วไม่ใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาสงฆ์พระวรกายแล้วไม่ใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาพัฒกิจแล้วไม่ใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาเสด็จบิดาบัดแล้วไม่ใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาโอวาทภิกษุเป็นต้น ก็ระลึกอยู่เงี่นะโอ้ไม่ไหวแนะล้วพานนท์พานนท์เขาระลึกไม่ไหวแนละ้วเขาสติท่านดีมากนะและสติดีไม่พอนะสังสารวัฏที่ผ่านมาเนะี่ยท่านเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามาตลอดคิดดูความผูกพันกันนะเดี๋ยวเป็นราชาเดี๋ยวเป็นอามาตะเดี๋ยวเป็นเพื่อนบางทีพระพุทธเจ้ า, เ, จาเป็นอามาตะบางทีเป็นเพื่อนกันอะไรกันไอ้ความสัมพันธ์กันในสังสารวัฏเข้าใจไหมนั้นส่วนหนึ่ง แลส่วนหนึ่งที่ในปัจจุบันนะพบนี้เขาอีกใช่ไหมแล้วอยู่ๆพวกชาวบาลีนี่พันหนีเฉยอ่ะหนีเลยอะแล้วหนีก็ปออบใจก่อนุนเดี๋ยวเธอจะได้บรรลุเอง น, นี้นะอบอกโอ้โหแล้วไม่ได้เป็นประดุจเป็นเ ง, งาตามตัวแต่ไม่ได้บรรลุต่อหน้าต่อพักเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ทําวินัยจำได้เกลี้ยงหมดเลยโนะยมสมัยเธอไม่ได้บรรลุบอกโอ เ, เห็นไหมไม่ได้บรรลุอ่ะก็เนี้ยก็ ไม่ไหวแล้วตอนนี้านอนนี่ปฏิบัติกิจเหมือนยังมีชีวิตอยู่ก็ทำทุกอย่างนั่งตั้งน้ำชันน้ำชัยอาหารใช่ไหมถึงเวลาอะไรต่างๆน้ำสงน้ำเอาทำไปเซ็นหมดเลก็ทำเหมือนเสมอเหมือนพระฤาษพรอมิวรงมีพระชนอยู่ก็ทำานานเข้าวนาข้าเทวดาเทวดาวเปล่อแบ้ท่านพระเถระ มาปูพระเทละมาร้องโหยงร้องไหยย้นี้จะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้โอ้ได้สติเลยโอ้ได้สติไปเลยฉันยาเนี่ยฉันยาทายเลยเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้ฟื้นคืนนั่นเลยพี่เก็บอกว่าก็เรียกพิสูจสงฆ์มาว่าต้องซ่อมกุฏิวิหารเพราะว่าจะเป็นที่ฆราหาสเนี่ยว่าพระรมศาสด า, ศารินิพพานไม่นอนสาวกของพระองค์นี่ไม่เอางานโอกาออการด้วยแล้วก็ก็ทํางาน ทีนี้ก็ต่อมาก็เนี่ยสุภัสุภามานพเนียก็มาอารัตนานัท่านนนท่านนนอุ้ยวันเนี่ยไปไม่ได้ต่อมาก็ไปล่อเขาไปไปเสร็จท่านนนก็เลยแสดงสุภาษสูตรไหยในสุภาษสูตรนั้นเนี่ยสมัยหนึ่งอะสมัยหนึ่งท่านนนท่าใช่ไหมสมัยหนึ่งพระพเจ้าพาะนนท์ในแสดงสุภาษสูตรสมัยหนึ่งตอนสมัยที่พุทธเจ้าปรินิพานแค่ไม่นานมีสดเดียวที่แหละที่ยกขึ้นสู่ปฐมสังขารนาด้วยนะ แต่ไม่มีว il, mere, a, ่าเอว่าเมสูตังเยกังสมัยยังเพราะว่าพ่อพรเจ้าไม่ได้ตัดว่านนท์ว่านแสดงสูตรนี้ยแต่ว่าว่านนแสดงเองกยกขึ้นสู่สังขยาไปดูแปลกสูตรนี้ไม่เป็นอย่างนี้แล้มาก็ดูตรวจอย่างในทีคณิกามีสี่สี่สระอีกสามสี่สูดใ่ไหมสูตรนี้แปลกไม่มีว่าพระเจ้าสมัยหนึ่งว่อ้พระนนแสดงตอนที่พระบรมศาสดาพุทธิพันธ์แล้วไม่นานแสดงตอนอยู่ที่สาวัตถี เนี่ยแต่เราเก็บตามพระเจ้าพิโดราจะรู้เลยนะขึ้นโสดยังไงยังไงอันนี้แสดงก่อนแสดงหลังดูออกก็ก็เป็นก็อยู่ต่อมาแล้วพอใกล้ น, น่นผ่านถนนกระจายลิดเดินทางไปเลยไปนู้นไปที่ไหนไปไปไปที่ไปไ ป, ไปที่แฟน์เโคสไปกุงกรุงกุงราชบุรีใช่ไหมเพราะนัดประทุมสังกายนากันที่ในระหว่างไปไปไปเสร็จตอนนั้นก็พระมหาคัศปาก็เออประชุมมหาวิหารตอนนั้นนะ วัดในกรุงราชคฤห์ตอนนั้นมีสิบแปดวัดลกรล้างหมดเลยลกรล้างหมดเลยก็ต้องมาบูรณะใหม่ก็ให้พระเจ้าชาติสโตพระเจ้าไปหาพระห้าร้อยโลเปยื้ออยู่หน้าพระราชวังตอนนั้นพระชุมนมเลยไม่เหมือนพระชุมนมสมัยพระชุมนมอ๋ออยู่หน้าประตูพระราชวังพระเจ้าชาติสโตกระถามว่าคุณเจ้าต้องการให้ยอมช่วยอะไรกับถามแจ้งเรื่องอ้จะทำประธมสังขยาาเออทั้งนั้นยอมอยู่ฝ่ายศาสนาประถมพกพระ ส่อมวิหารเป็นการ18หลังแล้วก็ตั้งเป็นน่าเข้าก็ใกล้จะถึงวันบรรลุเออถึงวันที่จะจะประชุมปฐมสังคญญานาเข้าภาษากันแล้วเนี้ยป้านนนท์ก็เดินเข้าไปภิกษุรูปหนึ่งภิกษุก็พากันพูดเอ้ยในหมู่ภิกษุที่อยู่นี่มีภิกษุอยู่รูปหนึ่งเดินโชยกลิ่นที่ไม่น่าปราดหนาเอาเลยจีแต่เนี้ยใช่ไหมโอ้เดินโชยกลิ่นเหม็น พานนนทสดุ้งเลยโอ้โหในบรรดาพวกที่อยู่คนนี้ล้วนเป็นพระาหันขี่นาศบแตกฉันเ อ, อวิชาสามอคตญญาหกปฏิสัมพิทาญาสี่มีเราเท่านั้นเองที่เป็นปุจจิณังเป็นเศรษฐาบุคค อ, อที่ช่วยกลิ่นเหม็นคงจะเป็นเราเป็นแ น, น่ทัานคนที่มีกิเลสในใจอยู่เดินไปในกลุ่มของพารหาหันเนี่ยไปช่วยกลิ่นเหม็นให้ท่านนะโอ้ยพานนกลับมาพิมลีความเพียรเนี่ยถ้าพารหาหันอยู่ตรงนี้สงสปิด จ, จมูก เหมือนกิเลสเหมือนกิเลต็มไปหมดเลยนะท่าไม่ได้เหม็นกินตัวท่านเหม็นกิเลสนะกิเลสภายในคือราคะโทสะโมหะท่านก็บอกว่าเออมีมีในหมู่ภิกษุอยู่ที่เนี้ยมีภิกษุอยู่ท่านหนึ่งเดินชอยกลิ่นไปมาบ้านโดนสะดุ้งเลยนี่ท่านสอนกันแค่เนี้ยไปแล้วไปตั้งความเพียรเพียรตลอดคุณเลยนยไม่ได้ท่านกำลพิจารณาอ้ดูทีว่าเราจะเพียรมากเกินไป ก็ล้มตัวลงร้างเท้าเบ็ดเสร็จขึ้นเตียงเบ็ดเสร็จนะล้มตัวลงหัวยังไม่ถึงศีรษะได้บรรลุเป็นพระอรหันเลยเพราะยังไม่ถึงหมอนเลยนะหัวยังไม่ถึงหมอนเลยนะศีรษะยังไม่ถึงยังไม่ถึงหมอนเลยก็ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันเลยพอถึงเป็นพระอรหันเบ็ดเสร็จเขาบอกเออพิกษุรูปใดที่ได้บรรลุไม่บรรลุในยะบททั้งสี่ป่านนนแต่นี้ก็เลยบอกว่าเออแล้ว ท่านก็นมาพิจารณาดู เ, ออเนี่ยเราจะไปยังไงใช่ไหมจักสแสดงยังไงที่จะรู้ให้พระภิกษุสงฆ์ได้ไม่ได้ไม่แค็งใจในตัวเราท่านก็เลยอ่ะเข้าภิญญาดำดินไปเลยโพ<ร>่เออโพ่โที่อาสนะเลยท่าหรรราตะสะปาท่าหาตะสะปะปีติมากหรือภิกษุตองก็พาเราปีติฮะพระกัสสก็บอกว่าโอ้ยอาพระพระอานุ์ ถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงประชันอยู่พระพุทธเจ้าจักสาทุกท่านสามครั้งอย่างนั้นเลยเราจักสาทุแทนพระพุทธเจ้าเลยสาทุสามครั้งป้องกันลืมมดเลสาทุชื่นใจพระนรนทรได้บรุยก็เลยเริ่มไปธมสังอย่างนาที่ที่ภูเขาเวพาแะบันพุคิชะกรุณที่ที่กรุงราชคกลืก็มีอยู่ที่สิคนละที่ละที่ละที่ ต้องไปเก็บหลายๆที่มันร ง, นงนม อ, อ่าก็มีขยายไว้ตรงนี้นิดนึงตรงนู้นนิดนึงก็งจะมารวมๆกันก็ต้องไปเก็บทั้งในอัจกริยะว่ายัางไงดีกาว่ายัางไงนะในพระไตรปิฎกสูตรนั้นว่าไงแรงต่างมิจะรวมๆกันมาอยู่คนอ่านหลายๆสูตรมาก็จะมารวมกันอย่างนี้ออกมาอย่างนี้ได้โอ้ยสวดมนต์กันได้แล้วป่ะเอาว่าอ๋อพระมหากระสปะไม่ใช่พระไม่ไม่ๆๆหรอกพระมหากสปะเทวดาเป็นความประสงค์ของเทวดาอ่ค อพระมากสปาคือเป็นนัยยะด้วยนะพระมหากรสปานี่เป็นเป็นหนึ่งในบุคคลท่านที่มีบทบาทในการทำปฐมศังรยาน